ก็มาทำวัดกันตามปกติเนาะช่วงนี้ก็มีครูบาอาจารย์ทั้งรุ่นเก่าเนาะเช่นท่านชาญก็ดีท่านยูกิกก็ดีนะเมือ่อวานท่านจันทงสินนะก็มานะเราก็จะได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่จะเป็นสารประโยชน์นะเพื่อการ เรียนรนู้นเรื่องชีวิตของเราเดีนะ๋ยวเราลอง <c oughs> ตั้งใจฟังเนาะบางคนอาจจะง่วงเหงาเขานอนพยายามปลุกตัวเองนิดหนึ่งเช้าๆานั่งนิ่งๆแล้วตั้งใจฟังกันนิดนึ่งเมื่อสักครู่เราก็สวดารียนบางมืองแปดเป็นเรื่องของทางเดิน ทางเดินสู่การพ้นทุกข์เราจะเรียกได้ว่าเข้าถึงสภาวะของพระนิพพานเทวดาตอนเย็นเราดีนได้ฟังกันจุดหมายสูงสุดของชีวิมนุษย์เข้าถึงฝั่งที่เรียกว่าพระนิพพานฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งของโลกุตตรธรรม ส่วนใหอีกฝั่งที่อยู่กันคือฝั่งที่เรียกว่าโลกิยธรรมเราก็พยายามที่จะเคลียรอยู่กับความทุกข์อยู่กับกิเลสอยู่กับความรังเลโลเลหรือใช้คาว่าเลวบาปคราวนี้เราจะต้อง เข้าใจว่าธรรมะกับวินัยธรรมะคือธรรมชาตินะกับวินัยการจัดระเบียบของกายของใจอันนี้มันเป็นเรื่องของการกระทำที่เรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทาทีนี้มันมีแล้วนะของทางเดิน ทิเป็นทางที่เรียกว่าเรียก ม, กมันเมือนของแนขนทางการบริดเรายามเดินแต่บางทีไม่ต้องเดินก็ได้มียานยานเล็กยานใหญ่ถ้ายานเล็กๆ็มันก็ไปช้าๆ้ดับทุกเด่ น, ดน้อยถ้าเป็นยานใหญ่มันก็ว่องไวเปรียบเทียบเหมือนกับเมื่อวานที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองใช้ยานใหญ่มา พย่ยใช้ยานเล็กแล้วก็มาก็ตรงดิ่งมาที่จุดหมายปลายทางบัดป่าสุกโตทราบว่ามีครูบาอาจารย์เข้ามากันจานชานอย่างเงี้ยนะเป็นพระที่ส่วนตัวให้ความเคารพเจอหลไรก้างหลหยนหลวงพ่อเขียนท่านให้งงความเคารพเป็นสากธรรมมิกคำว่าสหกรรมมิกก็หมายถึงผู้ที่ร่วมกันเดินทาง ก็เรียกว่าสหกัตมิกส่วนสัตว์วิหาริกก็เรียกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์สัตธ์วิหาริกทูปประชาเนี่ยก็จะเรียกว่าผู้ที่เป็นผู้ที่แจ้งเกิดเราอย่างนี้มีพระใหม่นั่งอยู่พระเก่าไม่เห็นนะมียุคไม่กี่รูปแต่มีพระใหม่ก็เรียกอุปชาตันกับจิตประสานให้ลักษณะของ การให้กรรมฐานไม่ลวมมกันหมดริยังนะหรือว่าท่านก็ขอยชี้นำเรื่องหลักปฏิบัตินะให้มีสตินะให้มีสมัมผััญญานะนะมันมีสติสมัม ญ, ญานก็เลิกหมดลนะเพื่อกบายยมกุนะกเพื่อสิ่งเสพติดนะบวชกันมานะเลิกหรือยังเล่าบุหรี่นะมันเป็นผลของการเดินทางตันะ้งแต่ยานเล็กไปถึงยานใหญ่ รถ ล, ละเลิกอันเนี้ยมันถึงจะค่อยๆไปตัวจุดหมายปลายทางการที่เราจะเดินทางได้ดีคือจากโลกเยื่อธรรมไปมาสู่โลกรถธรรมมายถึงรถเคล็ดลาบเราใช้ยี่เคล็ดลาบกับโลกอย่างนี้มันรวมโลกมีแต่สิ่งที่ไม่เป็นมิตรนะเป็นมิตรไหมสังคมสิ่งแวดล้อมทังวันนี้เป็นมิตรกับเราไหม ระบาดที่เราสึกเอออากาศที่ก็เป็นมิตรกับเราอากาศเย็ยนโลง่งไปอยู่ระยองอยู่เช้าเงี้ยตื่นมาเ้วเจอควันพิษแล้วสังเกตทุกวันพอตีห้าจะเดินบานะ่านถนนหนทางจะฝุ่นรถวิ่งจะชนตายเดินบานะ่านฟิวฟิวฟิวตลาดรันเิ่งกงินเมื่อวานพี่สาวป่านเนี้ย ไปจอดรถคอยแล้วจะใส่บาทแล้วถามว่าโอ้จะรีไปไหนนะ่ก็บอกว่าวันนี้ตื่นเช้าทุกวันนวันนี้ก็เลยตื่นเช้าอีกวันเหมือนกัะระเมอทุกวันนะอยู่ใช้วิตแบบละเมอโยงงบางทีก็ถามทําไมจะรีไปไหนอันนะไปจอดรถก่อนไม่มีที่จอดรถไปทํางานตามโรงเรียนตามโรมงพยาบาล มันอยู่กันอย่างนี้คนเราไม่หวแย่งกันอยู่อย่างกันกินนะทําอะไรออกไปก็เสียเงินเสียเงินเสียเงินมันจะไหวไหมชีวิตนะหาเงินไม่รู้จักพอเรื่องที่พอแล้วก็รู้สึกยังไม่พอเงีนะ้ยต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆนะมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของพิดภัยของเราที่เราอยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แบบนั้นโลกิยธรรมนะมีแต่คนลักมีแต่คนชั่งมีแต่ แย่งชิงมีแต่เอารัดเอาเปลี่ยบแล้วก็อย่างเราก็มีความสุก ม, มันก็นเหนื่อยน ะ, นะเหนื่อยทุกวั น, ท, วนทุกวันชีวิตไม่ปลอดภัยเลยนะลนะเราก็จึงเห็นว่าวัดป่าสุกโตเรามันมีเรื่องของมรรคผลนิพพานอยู่ชัดเจนจะมีคนมาไม่มีคนมาใครจะมาทำวัดไม่ทำวัดส่วนหนึ่งที่ทำกันน้ำทำวัดกันอยู่แล้วก็ส่วนอี บทที่มีคุณมีค่าอริยมรรคมีองค์8ปนะีหนทางไาปสูนะ่ความประเสริฐความประเสริฐของชีวิตเราหือพั น, พนิพาณ์นะั่นแหะเนือเกิดเนื้อแก่เนือเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกอย่างเนี้ยแต่ว่าเราไม่ให้เป็นแค่คําพูดกันไม่ให้เป็นแค่บทสวดเราน้อมก็มาใส่ใกายใส่ใจของเราโดยวัดที่ น, ะ น, นี่สถาบัน ส, นนสติตฐานวัดป่าสุกโตเดี๋ยวันนี้จะมีจานจาน ลำลึกให้ฟังว่าที่ผ่านมาเป็นไงบาง้างห้าสิบปีลัษณะของการที่เคยมาเป็นฝรั่งบวชพระรูปแรกปฏิวัติธรรมอยู่ที่วัดตาสกโตเนี่ยอาจารย์ยูกิพวกนี้เห็นแล้วอบอุ่นก็เียว่ากบอยู่ใต้กอบัวหรือห่อนรู้รถมา น, นึงน้อยพุมิลาไกสสถานนับโจทย์ บินโบกมาค่อยๆ ค, คุกเข้าสบกคนมันเป็นเรื่องของคนอื่นคนอื่นอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างศาสนาโยมมาบานเจออิสลา ม, มน่งคุยกับเราโยมเกลียงเป็นอิสลามก็มาซื้อที่อยู่ข้างวัดด้วยเราก็บอกว่าเดี๋ยวตายไปนะที่ยกที่ให้วัดป่าสุกโตสองไรนะ่ที่บันนี้มันก็แพงแล้ว ก็ฝนควาให้กันขึ้นมาหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่จังหวัดระยองมันร้อนเงี้ยอยู่ชนบุรีมันร้อนอยู่ที่นี่เย็นไม่ต้องติดแอร์สักตัวอากาศก็สบายทั้งปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าใจของเราละ่ะทําเป็นยัางไงาอย่างรุมร้อนก็ฝนควายเพราะไม่รู้สึกตัวไหมได้ฝึกบ้างไหมความรู้สึกตัวพริกมือรู้สึกตัวยกกันมารู้สึกตัวนะมาอยู่ที่นี่เอกลักษณ์ของที่เนี่ย เราได้เข้าถึงบ้างไหมได้ทําหรือเปล่ามากหรือน้อยรู้ว่าทนิดเดียวก็เครียดทํานิดเดียวก็เบื่อเดินจงกรมปฏิบัตินิดเดียวก็ไม่เอาแล้วไปเดินรอบเขาดีกว่ายกมือทิปสี่แหวานิดเดียวก็ไม่เอาแล้วไปหยิบไปจับหาเงินเงินหางานอื่นทาดีกว่าในวัดนิมนหาเงินได้ดีนะในวัดนี้คนเข้าขคนออกกันเราแม่เอาอย่างนั้นหรอกที่นี่ไม่มีตู้บริจาค หลังก็มีเหมือนกันอยู่ที่ครัวไปยัดยัดใส่กันมันมีเรื่องการเรื่องกินเรื่องเกลียดมันเป็นเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการเดินทางว่าชีวอเราจะเดินทางยังไงเราถึงจะพึ่งใจเราเองได้เราถึงจะมีความรู้สึกตัวแล้วก็ตอบคำถามตัวเองได้กัเจอกับรูปกับรถกับกลิ่นกับเสียงเราตอบได้หรือไม่มันเกิดการกินเกลียดยังไงทำไมมีกําลังพึ่งผู้อื่น หรือว่าเราจะเลือกพึ่งตัวเองดีพึ่งกายมีกายกาย็มีความสุขพระร่างกายมีจิตใจก็มีความสุขพระจิตใจตรงเนี้มันจะทำใหเรามีกําลังใจอยู่ที่ไหนก็อยู่เหอะคนเดียวไม่ว่าเวไม่สับสนไม่เหงามีแต่อรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเช่นมีกายธาตุจีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมรู้จักมาหรือ ย, อยังมีอะไรล่ะ มีจิตใจอีกมีความคิดมีรประสบการณ์เก่าๆที่ทํากรรมทําเวญอะไรไมาเยอะบิบากตามมาไหมเรื่องนี้ส่งผลบุญเป็นยังไงบ้างนะมันส่งผลมายังไงเสร็จแล้วเราก็มีความสุขว่าเออมันมีหลักไม่ต้องไปยุงกับมันความคิดทุกความคิดคิดดีคิดไม่ดีเรียกว่าสังขาร น, นะนะเรียกวสัญญาสังขาร วิญญาณของเรานะสัมผัสรู้สึกนั่นเป็นอย่างไรอ่านมันออกไหมมากลับมาดูตัวเองศึกษาตัวเองนะเดี๋ยวไปปฏิบัติทำปฏิภาวะกลับมาทำคือธรรมชาติธรรมชาติของกายเราเป็นอย่างไรมันต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอย่างไรนะามาเป็นความทุกข์ไหมส่วนจิตใจของเรามันต้องปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจอย่างนี เราทุกข์ไหมมันโลภมันโกรธมันหลงมันห ง, งุดหงิดมันมีตกกงังวันมันเบื่อมันหมดกําลังเราจะเติมยังไงนั่นะ เ, รเราจะอยู่กับตัวเองได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะเราศึกษามันมีกายเราก็ใช้กายมีใจเราก็ใช้ใจไม่ออกมาเป็นความทุกข์มันก็จึงเป็นงานเป็นการของเรางานนี้เรียกว่ากรรมฐานเข้าสู่สาวะ ที่เราธรรมะธรรมชาติกันหลายตัวมันเป็นธรรมชาติแต่เรามาเป็นกรรมดีกรรมชั่วกันเพราะความไม่รู้ดรู้รู้ ร, รู้ไม่ถูกรู้ก็ไม่รู้ของจริงสัจธรรมคือของจริงแล้วก็จริงๆด้วยนะึมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมันเป็นมันอยู่อย่างนี้อยู่เสมอแะไม่เกี่ยวว่าเราเกิดกี่พอกี่ชาติมันจะเป็นอย่างมันอยู่อย่างนี้น มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายคนในวิญญาณเป็นความทุกข์ร่างกายเราเคยเป็นเด็กนะตอนนี้นก็แก่เดี๋ยวก็ตายเราก็เปลี่ยนแปลงแต่หลายคนอามเป็นความทุกข์โอ้ยแก่ลงทุกวันจะทำไงดีลูกหลานก็ไม่ได้ดูลูกก็ไม่มีจะทำไงดีต่อไปเนี่ยแรงก็หมดเงินยาวที่ไหนใช้นี จะทำไงดีสังคมทุกวันนี้ก็โอ้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้เกนปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะหลายคนก็กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทกันไปอย่างนี้นคุ้มดีคุ้มร้ายระยองเนี่คนเป็นโรคประสาทเยอะจริงเวลาเดินบาทครูบางคนก็เป็นครูโรคประสาทอาจารย์เดี๋ยวนีมนต์ทักสามนาทีคุยกับโยมหน่อยเงี้ยมันน่าสงสารเราเห็นเราสงสาร ควมีแต่แข่งขันกันวัตถุนิยมมีครอากลัวทะเลาะกันผัวผัวเมียเมียพอแก่เข้ากับต่างคนต่างเก่งน้ำจะอยู่กันยังไงมีลูกเพึ่งพาลูกไม่ได้เช้าไปโรงเรียนเห็นนั่งคอยรถกดโทรศัพท์อยู่มีแต่ก้มหน้ากดโทรศัพท์กันอยู่บางที่ใส่บาทเอาเดินกดโทรศัพท์มาอีกตอนใส่บาทข้ามถนนนั่นรถที่นั่นวิ่งกันโอ้โหฟิวฟิวฟิ ว, ฟว วิ่งกันตั้งแต่เช้าทีสี่ตีห้าย mm. คนนี้ปฏดกรเสียแล้วอยู่บ้านนะเดินโทรศัพท์ข้ามถนนไมถือของจะใส่บาท mm. ก่อนให้พรก็เลยบอกอเดี๋ยวฟังธรรมะนิดหนึ่งโยมที่หลังอย่าทำอย่างนี้นะเดินโทรศัพท์ข้ามถนนนะรถชนกระเด็นตายน่นนะ่ะเนี่ยคือพอรวันนี้ของโยมนะ mm. แทนที่จะยัตถาวรีวหาปุราบริเติซากขาหลัง mm. โอ้โหมันประมาทขาบสติขับรถขับเรือโอ้ยคนหัวลุกทุกวันเสี่ยงตายทุกวันเวลาเดินบาด ท, ที่เลยองไม่เหือนที่นี่หลังเขาแต่เชื่อว่าอีกไม่นานมันก็เหมือนๆกันหมดนั่นแหละเพราะไม่ปฏิบัติกันนะหลายคนอยู่ข้างล่างมาซื้อที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้จะเป็นรีสอร์ทมาแล้วขับรถขึ้นมาในสองข้างทางหาอยู่หากินกันนะมันจะกลืนกันมาแล้วนะวัดบาหลามต่างๆ ต, ต่อไป เพราะนั้นการที่เรามาศึกษาตัวเองก็ต้องชัดเจนนะชัดเจนเรื่องตัวปฏิบัติการเดินจงกรมกนนารนั่งสร้างจังหวะการที่เราอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองมันนั่งเราก็นั่งด้วยมันยืนแล้วก็ยืนด้วยมันเดินแล้วก็เดินด้วยให้ตัวรู้มันเดินไปการนัง่งการเดินการยืนการนอนตรงนีตรงนี้มันจะเจอทางทางที่เราสมาทิฐิเห็นก็เห็นชอบ นดำหลีก็ดำหลีชอบดำหลีทีร่รู้สึกตัวเห็นก็เห็นความรู้สึกตัวเห็นไกลเห็นใจของเร า, านะพูดก็พูดชอบพูดกับตัวเองสอนตัวเองมันเป็นยังไงละ่ะตัวเองต้องการอะไรละ่ะก็สอนตัวเองอย่า ก, กินเหล้านะอย่าสูบุหรี่นะต้องสอนต้องทําวัดต้องสวดมนต์นะต้องปฏิบัตินะต้องสอนตัวเองบอกตัวเองจะเป็นเหมือนเก่าไก็ได้แล้วนะเคยจนจะจนต่อไปจนใจนะ คิดไม่ออกเบ่ไม่ถูกกลับมารู้สึกตัวคําตอบอยู่ตรงนี้มีความพยายามชอบพยายามทำอะไรมาอยู่ที่นี่เราพยายามปฏิบัติการการนั่งการเดินการยนืนการนอนจะทําอะไรก็เป็นตัวปฏิบัติให้หมดในรูปแบบนอกรูปแบบมีอะไรอีกสติก็สติชอบไม่ใช่มิจฉาสติกลับมาส่วนใหญ่ทยานออกไปเป็นตัณหาเป็นกิเลสตัณหาอุปทานตอนนี้กลับเข้ามากลับเข้ามา ตัรู้สึกตัวเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์เพราะนั้นพยายามพยายามอะไรอยู่ที่นี่เรายามใช้ชีวิตของเราชิดเรื่องนี้การอยู่วัดป่าสุกตัวคือมาฝึกมหาหัดเพราะสุกตมแปลว่าไปแล้วได้ดีถ้าดีแล้วก็ออกไปไปอยู่กับโลกนั่นแหละอยู่ที่เก่านั่นแหละอยู่ที่บ้านของเราเรารู้สึกตัวไปมีอะไรก็ทำให้มันดีขึ้นมาสังคมสิ่งแวดล้อม เล็กๆเราถ้าอยู่ที่บ้านเราก็เห็นอยู่ได้ไมโตก็จะอยู่ไม่ได้แต่ก็เรากลับไปแบบมีชั้นเชิงแบบมีพลังกําลังใจกําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถพวกนี้อยู่ได้ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราเรียกวิปัสสนาบ่ากลมกลืนอยู่ที่เก่าก็ไม่ได้กลมเกลืนอยู่กับสุขโตก็ไม่ได้กลมกลื่นอยู่กับตรงไหนก็ไม่ได้กลมกลืนกับท้องถนนก็ไม่ได้กลมกลื่นอยู่กับคนนั้นคนนี้คนนู่นไม่ได้ เขาก็เรียกวรปลาสเข้าสู่สมมติบัรจัดเดิมๆไม่ได้ไม่รู้จักสมมุติสัจจะเพราะเวลาปฏิบัติเราจะรู้จักสมมติสัจจะเพราะสัจจะก่อนจะรู้จักขบันนิพพานเกืออะไรสมมุติให้รู้จบให้รู้ครบให้รู้ถ่วนซะก่อนสมมุติของโลกใบเนี่ยอย่างในช้านี้มาที่นี่ก็มาทําบัดสนมนก็สมมุติที่นี่อย่างนี้แต่บางคนก็อาจจะอยู่ที่กุฏิอย่างพระสิงกาหรือ ญี่ปุ่นอาจารย์ชาญหรือเน้นอยู่ไหมเน้นอินเดียอยู่กุติเนี่ยที่นี่คนเยอะนะแต่เรารู้สมมุติที่เนี่ยถ้าเป็นสมมุติของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเข้มมาทําวัดแต่ถ้าเป็นสมมุติของคนที่ตั้งใจปฏิบัติเข้มต้องรู้ได้ปฏิบัติจริงนะอยู่กุติไม่ใชเจ้าวาดมาอาจารย์ไปสารมามาทำวัดกันน่าสลอนล้วโอ้ยมันสมมุติแบบเอาหน้านี่ว้ ประเภทเนี้ยทำไมไม่สมมุติแบบเออใครจะอยู่ไม่อยู่เรารู้หน้าที่หน้าที่ของเราคือใครมาทําอะไรกันที่นี่นะตัวนีนน้เนี่ยก็เรียกว่ารู้สมมตุติถ้าไม่รู้ว่าเชื่อว่าตอนเนี้หนึ่งคนขี้เกียจสองคนทําครัวอันนี้คนทําครัวเขหยันอยู่แต่ก็ไม่ได้มาทําวัดอาจจะติดทําครัวหรือเอ็ดว่ามีความสุขการทําครัวหรืออะไรกันลุจริงๆมันต้องมาทําวัดนะ ทำวัแบ่งเวลามาทําวันมันไม่ใช่เร็วลายจนกระทั่งต้องอยู่24ชั่วโมงหลักครัวทีนี้เราก็มองเห็นนะเออเขาสมมุติเขาอย่างนั้นนะเขาสมมติเขาอย่างนั้นนะบางทีอาจจะมาเขาสมมุติให้เป็นคนรู้ไม่จริงก็ไดนะ้มาในวัดนะก็จะบอกว่าเอยของปลอมก็ไดนะ้เออก็สมมติเราแบบนั้นก็เรื่องเขาเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนีน้พอเราไปอยู่บนท้องถนนแล้วก็สมมุติเราเลีน้นซ้ายเลนขวาเป็นยังไงขับรถช้ารถเร็วเปน็นยังไงอยู่ในทาง นะเวลาไปสอนปฏิบัตนะิเราก็อยู่ในหน้าที่ของเราก็าให้เราไปพาปฏิบัติให้บอกการปฏิบัติแล้วก็บอกของจริงที่มีในตัวเราจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่เราได้บอกเราได้ทดําดีแล้วได้สอนตัวเองทบทวนตัวเองแล้วนะไม่เป็นไรอย่างวัดที่ไปที่นู่นนะ่ะที่ผ่านมาที่คอนแก่นจะเลาให้ฟังนิดหนึ่งสุบลีกัน อาจจะมาจะพูดเ พ, าเพาเลาๆเลยกับคนประเภทเนี้มันก็พูดตรงๆอะ่ะไม่พูดเพลาะด้วยหรอกน้ำเสียงก็ไม่นุ่มนวลหรอกเป็ น, น, เ, ปนเสียงบอกเป็เสียงดุไม่ได้พูดทำเนียงแบบนี้ด้วยมันก็ปรับทันทนะีเพื่อที่จะบอกเขาทำหน้าที่กับเขาเนี่ยก็พูดแค่ครั้งสองครั้งถ้าหลายครั้งพูดไม่ได้ก็อย่าอยู่ด้วยกันนะถ้าผมอยู่คุณก็อย่าอยู่นะถ้าคุณอยู่ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันเป็นแบบนั้นพราะสมมุติของเรา มันเป็นในทางที่ไม่ใช่ทางสู่มรรคส่ผลมรรคผลมีแต่ลดและเลิกในการในกินในเกียรตนะิเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติกันนะตัวใครตัวเรานะพาตัวเองไปนะในมดหมายในจุดหมายในเป้าหมายที่เราหวังว่าเราเดินไปถึงเดินนั่นแหะจุดนั้นก็คือจุดที่เราจะพบกับนะพลังของชีวิตที่เรียกว่ากำลังใจ มีกาลังของความอดทนอดกลั้นมีกําลังของไอชั่วครัวบาปมีกําลังของศีลสมาธิปัญญามีกําลังของคุณธรรมหลายหลายอย่างเมตตากุณาเมตตาเวี้ขาพวกนี้นั่นละคือชีวิตของเราที่จะเข้าสู่ความจริงของโลกนี้แล้วกลมกลืนนะเราก็จึงรู้จักสมมติจัตจักันเพนะระาะจัตจักคือใช้กับใจของเรา โดนนินทาแล้วก็ไม่ทุกดีไหมโยนเ้านินทาเขาใส่รัร่วเหลาใจแล้วก็ไม่ได้ฟูดีไหมมีราบใจแล้วก็ไม่ได้ฟูเสื่อมราบใจแล้วก็ไม่ได้ทุกดีไหมปัญหาของโลกแตกต่างกันมากมายเหลือเกินแต่ท้ายสุดเมื่อสรุปรวมที่อ่อนคือความทุกข์ทั้งหมดอย่างเช่นกรณีหวยสาสิล้านน่ยยังไม่ออกสักทีสมมติบัญญัติของโลก แย่งกันเรื่องโชคลาบนะตำรวจกับครูใช่ไหมแย่งกัน30สล้านต้องมีคนโกหกคนหนึ่งละนะหรือคนเข้าป่านะไปยิงเสือดำอนยะ่างเงี้ยเศรษฐีนักล่าไลไล่ลารู้สึกว่าเวลาแบกปืนไประหว่างเขี้ยวเล็บกับลูกปืนนะอะไรที่มันจะชนะเสือดำเป็นนักล่าเสือดาวนักล่า กระลูปืนไรเฟิลยิงกันไปยิงห้ามยิงยุกก็ว่ากันว่านะอิตาเลียนไทยเราก็เห็นเอยู่เวลามาทางวางน้ําเขียวเขาก็ทําอุโมงค์สัตว์รอดรถวิ่งในวโมงแล้วก็สัตว์เดินข้ามานีก็ไปทําก็คืออิตาเลียนไทยรับเหมาหลายที่หลายทางแต่ปรากฏว่าเป็นนักล่ า, ากลายเป็นว่าเข้าป่า ใช้อํานาจของเงินของเกียรติยศนะเข้าป่าไปแล้วก็ไปค่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเงี้ยกรณีถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ตลอดรวงโลกตลอดนะถ้าเราไม่ชัดเจนในตัวเราเราจะอยู่ยังไงนะอยู่กับมานที่มาพจนนะ์อยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่บารมีที่เราจะต้องสร้างของเราก็คือเอาไว้ข้างหลังให้หมดนะตามคําสอนขององค์งม ส, มสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะ มีความเป็นปกติจิตใจของเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดอ่ะบพูดเท็จพูดเพลยเจอสอซ์ซอสีตโกหกหรือว่าไม่รักเล็กขโมยน้อยวิสาสะเมื่อเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปเสียงสะท้อนจาก ร, บรอบๆตัวนั่นแหละตัวดีนักละเราโ อ, โอ้ก็มองอย่างนั้นมองงนั้นเราก็เออกลมกลืนปรับเนื้อปรับตัวปยญยาธรรม ดีวันดีคืนขึ้นไปชัดเจนศีลก็มีธรรมะก็มีธรรมะกเกิดจากตัวสติมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธินะมีสติก็มีปัญญาเกิดจากตัวสติแต่ว่าสติเราจะฝึกยังไงก็ต้องฝึกมีความรู้สึกตัวจึงเกิดสติชอบสมาธิชอบขึ้นมาที่เราสวดกันตอนท้ายจะตุตะฌานฌานที่หนึ่งก็คือมี วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมเมื่อกี้เราสวดกันเราก็รู้จักวิตกวิจารคืออะไรยันไขณะที่เรารู้สึกตัวใช่ไหมเราจะคิดเปรียบเทียบกันดีไม่ดีไม่ดีดีดีไม่ดีดดไม่ดี ด, ดีตัวเราเนี่ยแหละเปรียบเทียบตัวเราเองเราจะไม่มองออกไปข้างนอกในะเวลาปฏิทินเรื่องคนอื่นคือเรื่องคนอื่นเรื่องเราเรื่องเราเ ร, เราต้องจัดการหน้าที่การงานของเรา พอเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะประเดี๋ยวจะมีการคุยอยู่ข้างในใจเราทีหลังอย่าทําอีกนะทีหลังต้องเปลี่ยนแปลงมาทําแบบนี้นะอย่างเช่นไม่เคยรู้สึกตัวเนงะี้ยเดี๋ยวนี้ต้องรู้สึกตัวนะเวลาไม่รู้สึกตัวมันก็จะเผลอคิดนะอย่เอ๋อเราก็เห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็คือความคิดกำลังสอนความคิดของเราเองอยู่จิตสอนจิตเรา การที่จิตสอนจิตดีกว่าคนอื่นสอนเราดีกว่าครูบาอาจารย์มาสอนเราเพราะตัวเราเองกําลังสอนตัวเองธรรมะกําลังมีในตัวครูอาจารย์ก็มาสอนเราก็คือคนอื่ น, นที่เราคนอื่นนั่นหมายถึงบุคคลหนึ่งสอสก็มาสอนเราธรรมะอินตัวเขาแต่ไม่มีในตัวเราอย่างนี้แล้วเราก็ทําให้มีในตัวเราขึ้นมาตัวเองก็ต้องสอนตัวเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของต้นได้ใครจะเหมือน เตือนตนเตือน ต, น, ตนไม่ได้ใครจะเตือนจจเนี่ยจก็มาพูดนะบทนี้มีคนก็แต่งเอา้แต่เราเตือนตัวเองไม่ได้ใครก็จะเตือนเราเพราะนั้นอย่าแชรเชือนใครจะเตือนให้ป่วยการเนี่ยความรู้สึกตัวอย่าบ่ให้เรานะมีวิตกมีวิจารณนะี่มันเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วปฐมฌ า, านเกิดขึ้นแะล้วนะเพราะนั้นเราอยู่ตัวเองมากเท่าไหร่ไม่ต้องไปหาเรื่องคุยสอนคนอื่นอยู่กับคนอื่น อยู่ที่เราอยู่กับตัวเองคนเดียวนั่งหาที่เงียบนอนก็อี้อยู่โคลนไม้นอนทางเดินยกมอยู่โคล น, นไม้นนแดด ก, ก็ส่องไม่ถึงหรอกพิกมือรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองเต็มคันคือมันไม่ได้อารมณ์ปฏิบัติจะอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยจะต้องอไปหาบุคคล2 3 4สหพูดคุยมากมายอันนี้เราไม่ยอมสันโดษชอบคุกคีชอบไปเขตอาโคโจร อ, อะไรพวกนั้นเราไม่เอาแบบนั้น ต่อมาคือมันเกิดวิตกวิจารณ์ตัวเองปิติก็เกิดขึ้นมาเพราะการวิตกวิจารมันกลับมารู้แต่เรื่องดีดีวิพาวิจารณันรู้เรื่องชาวบ้านเนอะวิพาวิจารณ์แต่เรื่องวิตกวิจาร์คือมันมาเห็นตัวเองมันคุยกับตัวเองจิตสอนจิตมันก็เกิดปีติขึ้นมาคิดในแง่บวกคิดในแง่กุศลคิดในแง่ที่จะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานนะมันก็จึงมีปิติหล่อเลี้ยงให้เรา ทัวเนื้อตัวมันก็เกิดความสุขเกิดปัจจทธิความสงบกายสงบใจอยู่กับตัวเองพอมันผ่านบางเรื่องมันได้ข้อสรุปมันไม่เอาแล้วมันเอาไว้ข้างหลังเลยเคยทํามันก็ไม่ทําเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เล ย, ยนักบวชทั้งพระทั้งโยมทั้งแม่ชีรับรองได้มันมีทางกลับไปทําอย่างเก่าคิดแบบเก่าพูดแบบเก่า จิตมันก็สูงขึ้นมาที่เราวิติสุขจิตสูงขึ้นมาฝ่ายบวกไม่ใช่ฝ่ายลบฝ่ายกุศลไม่ใช่ฝ่ายอกุศลเกิดวิติสุขเอากกตาคือมันก็เป็นหนึ่งอารมณ์หนึ่งเดียวกันต่อเลี้ยงเป็นปกติเป็นความรู้สึกตัวมีศีลสมาธิปัญญามีวิติสุขตัวเนี่ยมันถึงจะมีกําลังใจและอยู่ตัวเต็งได้แน่นอน จะเกิดความนุ่มนวลจะเกิดความอ่อนโยนกับตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นเนละแต่ท้ายสุดก็ไปหาผู้อื่นจนได้เคยแข็งกระด้างเดินกระดกกระเด้งอย่างพระนี่วิ่งไม่ได้เกิด <c oughs> การสํารวมขึ้นมา <c oughs> มองไปทางไหนเกิดจต่ความงดงามมีแต่เพื่อนของเรากระและมิตรของเราที่เดินทางไปสู่ทางเดียวกัน <c oughs> เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลไป <c oughs> จนท้ายสุดเกิด ชั้นที่สองขึ้นมาใช่ไหมชั้นที่สามขึ้นมาจนท้ายสุดเกิดชั้นที่สี่ขึ้นมาคืปกติแล้วแลอยู่สุขก็ไม่เป็นไลทุกข์ก็ไม่เป็นไรยอเป็นสมาธิสูงสุดก็คือมีสติแล้วแลอยู่เพราะฉะนันที่เรารู้สึกตัวจะเป็นลนักณะของมาของผลมีมกักมีผลมีมกักมีผลจนถ้าเราเอาไว้ข้างหลังเคยกรอดก็ไม่กรอดเงี้ย เคยสงสัยก็ไม่สงสัยเคยยึดนั่นนี่โน่นก็ปว่างจากหยาบสุดไปหาละเอียดสุดใจก็เบาเบียวขึ้นมาดีแม้หล่ยโยมไม่ต้องวัตถุ12ึสาบุคคล123เป็นยันเล็กไปหายานใหญ่เป็นทั้งยานเป็นทั้งฌานในความรู้สึกตัวถ้าไม่ฝึกถามว่าจะไปฝึกอะไรกันมาถึงวัดป่าสุกโตแล้วนะี พระป่าสุกตุกตุลเป็นสถาบัานสถิตะฐานนะนะและครูบาอาจารย์ที่สอนก็นตายไปทีละคนสองคนนะป่าคนเก่าจะกลับมาอีกนะท่านก็มีงานมีการของท่านมีที่อยู่ของท่านแต่อยจางจาันชา น, นี่ดีนะจันชา น, นี่มีจยนสมใจคอยประสานคอยดูแลนะมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วจนถางเดี๋ยวนี้เป็นพระก็ถือว่ายังประสานแล้วก็ ยังทำงานเรื่องอการเจริญสติก็ไปถือเป็นการทำให้อนุชนคนรุ่นหลังได้มีความมั่นใจอ ย, ย่างพระไทยพูดเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อแต่พระฝรังมม่งจังบอกโด่งๆขาวๆพูดภาษาอังกฤ ษ, กษเนี่ ย, ยคนเชื่อความรู้สึกตัวนะโยมโยมลองพูดที่ความรู้สึกตัวลองพูดดอแล้วลองทมที่อันนี้มากะดิกกระ ท, ทบกันด้กระทบกัน รู้สึกไหมรู้สึก ม, มเวลามาสอสนนะพูดยากพูดเย็นหลายคนบางทีก็ฝยาจะเชื่อก็หลายวันอยู่ด้วยกันหลายวันถึงจะเชื่อแต่ลองจานฌานพูด awareness awareness ้ยนั่งทำงินเชื่อเป็นอย่างนั้นเลยก็เลยว่าเนี่ยอยากจะมารวมกันอีกสักวั น, นวันนี้นมีพระญี่ปุ่นจันยุกิมีพระศรีลังกามีพระฌานเป็น เป็นอะไรอาจารย์ในแคนาดาหรือออสเตรเลีย <Australia. S 1> นะมีฝรั่งมีหลายคนนะมาคุยเรื่องเดียวกันโดยไม่ต้องใช้ภาษาใช้การปฏิบัติการเดินทางแตนะ่ละก้าวแต่ละก้าวเป็นการปฏิบัติรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจนมีความชัดเจนในตัวชีวิตของเรานะจนยิ้มได้ ร่างกายของเรามันเจ็บมันป่วยยิ้มได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะมันมีความรู้สึกตัวที่มันเด่นกว่าท่มอยู่สูงกว่ามีค่ามากกว่าตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายตัวทุกข์ในความรู้สึกตัวมันคือความไม่ทุกข์มันเป็นความพ้นทุกข์ถ้ารู้สึกตัวออกก้าวออกมาจากอารมณ์ความคิดเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทาได้ แล้วก็ทุกคนด้วยไม่ได้เกี่ยวใครจะรักใครจะชังมาเรื่องเขาก็จะกินไงกับเราไม่เป็นไรแต่ก็เรามั่นใจนะมั่นใจในมรรคในผลในความสำเร็จของครูบาอาจารย์แล้วก็น้อมเอาเขาสั่งคำสอนไอ้ที่มันเรียบง่ายที่สุดทำมาจริงไม่ได้เรื่องอะไรยุ่ง ย, ง, ยงอยาก